โอกาสต่อตอนี้เป็นโอกาสที่จะได้กล่าวทำและฟังทำหน้าที่การกล่าวทำเป็นหน้ า, าที่ของพระต่าการฟังทำเป็นหน้ า, าทีาาท่ของผู้ฟังการฟังทำต้อฟังลงที่หัวใจ ความรู้สึกในคิดอยู่ที่ตรงไหนหัวใจเ็าอยู่ที่ตรงนั้นโดยธรรมชาติของจิตใจ ย, ย่อมมีความรู้สึกครูในโกรธคิดความรู้สึกโกรธในโกรธคิดของจิตใจเป็นล้วนธรรมชาติแต่ถ้าความรู้สึกในคิดที่ไม่มีคนประกอบคนพลัง ก็ยังเข้าตารเม่ไหร่ก็ธรรมชาติของใจเมื่อกรูสึกไม่คิดต่อไม่รู้จับว่าเราดูเราตัวเมื่อจะให้ลูจักคว่ามีอเราดูเราตัวก็ต้องมีตัวสารุเป็นร่ควบคุมความ อย่างคนยุคนจระดกเราถือว่าคนเหล่านั้นเป็นคนขาดสติขาดสติจนถึงขนาดที่ทำให้เขาเนคนยุคนกระดกแต่คนยุคนประดิตอนมี้ี่ไม่รู้จั ก, กสืพ่อดตัวดีถ้าเราดูดูแล้วก็สบายเหมือนกัน จะเกิดอะไรออกมาโดยธรรมชาติที่ไม่มีระเบียบและไม่มีความรู้จักที่ต่ำที่ส่งแต่ความรู้สึกนักที่แบบนั้นเพราะวังมีความที่แบบมีสติสัมปชัญญะดุจเราไม่ชอบเพราะมันเป็นสุ่งสุ่ยไร้สาระกระับเรา คุณระโยชน์คู่จะคุ้ได้จากคนนี้คนกระดุดกันถ้าเรามาดูแลมันจะไม่มีอะไรเลย <c oughs> ดังนั้นความรู้สึกไม่คิดแบบคู่เราปฏิบันั้นเราจึงไม่ชอบขาดคุณได้ล่าว่าโดยธรรมชาติของอจิตเจ้าย่อมมีความรู้สึกนม่คิดเป็นรั่ว ธรรมะเพือจะให้ความคิดอันนั้นมันเกิดประโยชน์ก็ต้องอาศสติกัญโภคควบคุมนักปิฎวิทยานักปรัชญาเขาลงความเห็นว่าคนเราโดยพวกเหล่านั้นมือความปุนน่มมุขมือ มนความบางคนก็หอยู่ประมาปคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็หรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นดังนั้นนักบาชผู้ท่านด้ค้นคิดดูความจริงของคนหรือคนคิดดูความจริงของสิตใจท่านควรได้วางเบอร์ปรบ เื่อเป็นการสึกผลอบรมจิตใจเอาไว้สึ่งนั้นเขาจะว่าคนโดยผู้พูดไปก็คือธรรมะธรรมะที่จะพูดสู่ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้สู่งท่านทั้งหลายก็ต้องการอยากจะฟังเรื่อง ธรรมะเกี่ยวกับความสุขของชีวิตปรรจำวันธรรมะทำเกี่ยวเนื่องดุจเป็นเหตุให้เกิดความสุขของชีวิตประจำวันนั้นแจะว่าโดยหลักการกปนจริงเราก็ไม่ดูอะไรที่นอกเหลือตัจากการเริ่มต้น ด้วยกามดีเสนณะที่ขึ้นที่ระลึกภายในจิตเสนณะที่พึ่งที่ระลึกอันนั้นทันทั้งหลายก็ได้กล่าววาจาปัญญาตนตไปแล้วเริ่มต้นแต่กล่าวคำนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สัตวรูลภก็ทัวพระองค์เองคือนโมตัสสะ อันหับต่อมาพระเจ้าปฐมญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมไรสงคือพุพังสระนังขั า, านิธรรมังสระนังคั า, านิสังคะะังสรนังคัตานิ<อ>เ่งหมายความคตาวสาไทยว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมไรสงเป็นสาระที่ซุ่งที่ระลก แล้วทำไมเราจึงต้องประฐม ญ, ญาณตนถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีดีๆหลายหลายอย่างที่เราจะคึงเอาตัวอย่างท่านมาประกอบปฏิบัติเจะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ มีการศึกษาดูตามประวัติขั้นศึกษาจบเมื่อหลักตัแห่งการศึกษาในสมัยนั้นตึองรู้ว่าจบปริบู์หมายของวิชาการปกครองวิธาระโตรกรรม อุปาปุตตะกรมรนีปรากฏในตำนานพุทธประวัติซึ่ในประภูมิของพระพุทธเจ้ามีบุคคลมื IS, อูดว่า โ, โ, โ, โ, โ, โอทะลงข้าวันทุกคนทุกคนโอนะนั่นแปลว่าข้าวสุขเพรมเจ้าสุกโอนะโอโตทะอนุโตทะ เป็นต้นมือต่อคำว่าข้าวสุกต่อท้ายสนามของท่านเหล่านั้นจึงสแสดงว่าตระกูลของพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นตระกูลชาวนาเป็นกระสาบแต่ว่าสมสมใจในร่องการากประพฤระกรรมคือการเพาะปลูกเพราะอาศาัยที่ข้าวเป็นปัจจัยสำคัญแห่งชีวิตความเป็นอยู่ จึงได้ยกเอาข้าวเป็นหลับและตั้งสู้ลูกหลานว่ามีคําว่าโอสนะต่อไทยและพระพุทธเจ้าทรงศึกษาบทศิลปะยุตยาทั้งการปกครองการปกครองทั้งศิลธรรมและวัฒนธรรมจบในวัจนในภูมิความรู้สามารถที่จะเป็นประจักครองแผ่นดินได้ อันนี้คือตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงอีกอย่างหนึ่งพระองค์เนผู้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้เสือสละเครือเ ส, สือละความุกส่วนพระองค์ประดับ อ, อกค์ เพื่อสเพื่อแสวงหาวิธาการที่จะทำให้พระองค์สําเร็จเปนพระพุทธเจ้าเมื่อความคุ่นดุของพระองค์จะที่วเข้าเทาเวดาคนสูงสวรรค์แต่พระองค์ก็ไม่ได้อาลอยาวอยู่ยังเสื่อสละสมบัติความศักเหล่านั้นปวดทั่วความปนพรานุโดยจุดความปุ่พระพุทธเจ้าจน ก็เนตัวอย่างงบุคคลผู้เสื่อมละละเป็นตัวอย่างแงบุคคลผู้สําเร็จชาากรั้นสูงระดับโลกเหนือโลกจนได้เป็นศาสต า, าอุปของปวงชนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็พัวเจ้าเนตัวอย่างแงบุคคลผู้มีสติปัญญาเสี่อมละละ สามารถรู้อริยสัจธรทมทั้งสือคือพวกสมุทัยนิโรธมักจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจา้าอันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีปัญญาเหนือโลกและเมื่อพระองค์สำเร็จความจรเปนพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มีความบริสุทธิ์สะอาดด้วยตายวาจาและด้วยใจ กายของพระองค์ก็ไม่มีการฆ้าไม่มีการเดือดเดือนไม่มีการทํำร้ายโดยประการทั้งปวงวาจาของพระองค์ก็รับสั่งด้วยสํานวนอันไพเราะแตดการทำเกี่ยวกัคนปรากฏว่ามีความงามในเบื้งต้นงามในขั้มกล่างงามในที่สุด งามในเบื้องต้นก็คือความงามแห่งความเป็นผู้มีสิ่งงามในท่ามกลางก็คือความเป็นผู่มีความมั่นใจหรือสมาธิงามในเบื้องปล่าก็คือเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมรู้เท่าทันความเป็นจริงของสภาวะธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเมื่อพระองค์สำเร็ ความปรารถนาของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างคือสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะผู้สืบเชืในความสำเร็จของพระองค์คคเพียงแต่เสวยความสุข่วนพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็มไม่มีใครจะมีอำนาจเอาพระองค์ไปลงโทษหรือไปทรมานเบาๆได้ทั้งสุน้น แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงสละความทรงจำลำบากเด็ดเดี่ยวส่วนพระองคแแดงพระธรรมมาเถิดสละโปรดเถิดใกระตับให้มีความรู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่เท่าประโยชน์ทรงซื้อการทางําเนินคือทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในสัมปรายภพและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน ต้่งทรงแสดงธรรมอนุวัตตามอุปนิสัยวาสนาบารมีของผู้รับฟังธรรมผู้ที่มีความสามารถจะติดอยู่ในโลกยังปลดล่วงตัวออกจากความสูกพันของโลกไม่ได้พระองค์ก็สอนให้มีความหมั่นความขยัน เหลืความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการสมาหาเรื่องชีพแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สินสมบัติตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคงเมื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือตั้งหลักฐานให้มั่นคงได้โท่าที่แล้วพระองค์ก็วังสอนให้รู้จักรักษา รักษณสมบัติที่ได้มาไม่ให้สวนส่วนและเพื่อป้องกันลักษณะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่ให้สวนสูวนพระองค์จึงบอกว่าให้คอบเต่ภรรยาณุคือมิตรที่ดีลักษณะของมิตรที่ดีนั้นไม่จเกิดข้นก่อนึ้ดีดีกว่ามโนสุจริต โภษก็โทษตเรียกว่าว่าตูสุขสุขิจการกระทำก็ทำดูรู้ว่าตายก็สุขสุขิจิรวมความแล้วว่ากายวาจายหละใจเป็นปเต๋อขั้วประโยชน์ขั้วโกอบุคคลผู้ได้พบกพัสมาคมเป็นมิตรเป็นสบาย เราประการประทำเราทั่วเปล่ก็ตนเป่าทั่วประโยชน์ั่วคนต่อทั่วเด็ก็าสมาคมโคประชักจมไปในสิ่งชื่อตนประโยชน์เมื่อเละภาละอะไรจบเพื่อนช่วยช่วยอ่านช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ตบไปดีอันนี้คือลักษณะของกัญยาลามิต เป็นอบายผู้คนรักษาทรัพย์สมบัติที่มหนึ่งอยู่ให้อยู่ย ง, งคงทนต่อไปเระการสุภั่นเจ้าจองค์สอนให้รู้จับตารจับเจ้าเท้าต่อยตัวรวสี่ิตให้มีความสุขความสมควรเกิดฐานะซึ่งไม่มากนักและก็ไม่น้อยนักขมวดลงไปในโพชนมัตตัญญา โจับประมาณในสารบริโภคให้สอยทักมบัติที่มีอยู่อันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาูุชนผู้ดำรงอยู่ในชีวิตคาลวาดอันเป็นหลักใหญ่ๆอันนี้นเมื่อผู้ที่มีความสมบูรณ์สนุกมีพอสมควรมงที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในสัมรายะภพ เมต้าทุกคนมีหลักฐานมัน่นคงดีแล้วการทำประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ชื่จะคนปัจจัาให้ไปสู่สวรร์นั้นย่อมจนขอไม่ยากเพราะเรามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สามารถที่จะทำประโยชน์ชื่อคูนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าเราขาดตกบกพร่อง เราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้อย่างสต็มที่แม้แต่การจะตั้งใจประพฤตปฏิบัติธรรมะส่วนใดอีกก็ต้องอาศัยปัจจัยสู่สู่ความสมบูรณ์โูลสุขของชาวโลกคนโพลผ่านธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็ตามที่เราถือว่าเป็นของดีของหดีนั้น ย่อมตั้งอยู่บนรากฐานความมั่นคงของโลกถ้าโลกนี้มีความมั่นคงศีลและธรรมวัฒนธรรมก็ดำรงอยู่ได้ตลอดกาลถ้าหากโลกนี้ขาดความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในฐานะที่ว่างแง่งกรกรมเปสนทีถศีลและธรรมจะตั้งได้อยู่อย่างไร เ่อพระองค์ทรงสอนในประโยชน์หลักประโยชน์ทั้งสองประการดังกล่าวมาโพสุดพร้อมทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์สัมราระภพ ย, ย, ย่ำมือย่ำมป็นเหตุเป็นปัเจ่าให้บุคคลผู้เฝ่าธรรมะมีความรู้สึกไม่คิดประโยชน์ฐานะแห่งความสูงของมุิตใจที่เต่าโตดังกล่าว แล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้บรเพร็ญเพียรภาวนาเพื่อเจริญสมถะ ส, สมสถานแหละวิปัสนาสมสถารก่รทำจิตให้เป็นสมาธิรู้แจ้งเห็นจริงในหลักแห่งความจริงของประภาวะธรรมหรือว่าทำ ง, ง่ายๆและรู้จักความจริงของขาดีรมแหละ้าดีโลก ว่าผู้สู่โนในคต่ของโลกหรือผู้ดำเนินชีวิตในทางโลกควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรโผู้สู่โยในกระแสแหงธรควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรพระองค์ทรงวางหลักการไว้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เบิ่ก่อประโยชน์จย่างยิ่งคือพระมิพานนั้น แค่นี้เราจะหลักแห่งการปฏิบัติในสีลในสมาธิในปัญญาไม่ได้ทีคื้เราวอกไปถึงปัญหาด้วยว่าทําอย่างไรเราจึงจะมีความสุขในชีวิตประจําวันหลักแห่งการปรับปรุงความประพฤติปฏิบัติของตนเองให้มีความสุขในชีวิตประจําวันหน เราเอาเสาหยัดเอาหลับยึดคือปรานาที่เครื่องได้เจอประพฤติ ธ, ธรรมไระสงประการที่สองเราพยายามตัดกรรมตัดเวนด้วยความประพฤต์ปฏิบัติตามหลักของสิ่งาสิ่งทาประการที่ท่านประมาทานมานั่นแหละคือไม้ยอมไปดูปรับปรุงความเงอยู่ แห่งชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขท่านไม่ใส่ฝันไม่ร่วงการผ่าการเบียดเบียนคนอื่นจะมีใครบ้างที่เขาจะมาชีด้เบียดเบียนท่านท่านไม่มองที่จะประพฤติอุปาทานหรือข้อปลอมใจจะมีใครบ้างที่เขาสมาชี้เบียดเบียนท่าน ถ้าท่านประพฤติยึดมั่นอยู่ในศีข้อที่สามโดยตามีสืสมิขาจาัดก็คงไม่มีใ ค, ใครที่จะมาคิดอิกฉาบาังเกิดท่านไม่โกโหกพกลมให้คนอื่นเขามีความอาภัณฑ์ิตภายก็ไม่มีใครจะมาก่อกรก่อเวรให้เกิดเครื่อแ่ท่านถ้าท่านทานสำสองวรนในการดุมของเมืนเมาคือโุราหรือหลไ ทา่ากจะได้มีท่านก็จะประศปาศจากการมึนเมาความเพ้อหลงหรือการเสัวตะสติเพราะความมึนเมาจะไม่มีแล้วท่านจะไปต่อกา ร, รทำถึงขึ้นมาได้อย่างไรพ้าาสมมติว่าท่านเดมกินเมาลงไปแล้วคุตะสติไม่อยู่ก็อการทะเลาะวิวาทันขึ้นมา คนที่จะพรมได้รับความคการตกต่อบรรกันเราจู้สุก็ถึงกับต้องข่ากันตายเพราะฉะนั้นหลักทู่ท่านจะย็ดเป็นหลักปฏิบัติที่แท้จริงนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่งชีวิตประจำวันแต่นน้จะกลักแห่งศีภาะไปไม่ได้ ในบางครั้งท่านอาจจะคิดว่าสืบ้าบางข้อเราก็ไม่สามารถติกลับประพฤติบาตได้เพราะสังคมเขานิยมกันอย่างนั้นบางสังคมเขายังคิดว่า <c oughs> ถ้าเราดื่มเหล้าไม่เป็นเข้าสังคมไม่ได้อันนี้ถ้าเราคิดดูกันให้ทรงพิจจะณาดูด้วยเหอนนุผล คำพูดคำนี้ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความหมายใดๆทางนั้นถ้าเราจะแน่วแน่จึงว่าเราจะไม่ถึงเราก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้และเราจะเข้าสังคมได้อย่างดีที่สุดโดยไม่ก่อเรื่องก่อราวหรือไม่ก่อคำคำเดินขึ้นเพราะฉะนั้นหลักคุณค่า น, นี้แหละเป็นหลักที่เราจะพึงยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อความสุขสบายแห่งชีวิตประจำวันศสริห้าข้อนี้มีความเมืองหมายที่จะบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันโดยตรงถ้าหากใครรักษาศสริมห้าใต้บริสุทธิ์บริบูรณอย่างแท้จริงแล้วการฆ่าการแจงกันจะไม่เกิด ข, ขึ้นเพราะ ตือนห้าข้อนี้ถ้าหากเรายังไม่ลดเว็นโดยเดทธขาดเราก็ไ้ชื่กว่าเป็นผู้ก่อเวรในเมื่อเราเป็นผู้ก่อเวรผู้ที่ถูกกระทบกระเทืนจากการกระทำของเราเขาก็ก่อเวรต่อเราจนนั้นในท้ายแห่งสิขาบทห้าข้อนี้จึงลงท้ายด้วยเวระมณี เวรมานีนี่แปลว่าเวนมานีแปลว่าเวนเว้นจนากเวนภาพประการถ้าจะเว้นเด็ดขาดจำได้ว่าตัดทนวนแห่งจำเวนที่จะงเกิดขึน้นทำตนเองให้เดือดร้อนได้อย่างเด็ดขาดข้อปานาตูบาห้ามการฆ่าสิ่งที่มีสีวิต รวมทั้งคนหละสัตว์โดาสานด้วยแต่โดยจุดมุ่งประสงค์นั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันโดยตรงเพราะเหตุว่าข้ออธิณาฐานก็เป็นการป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากัน ข้อตามมอภูมิมาา่ขาดก็ป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันข้อโมสาก็ป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันข้อสุราก็ป้องกันไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันทำไมจึงม่าอย่างนั้นการคินาทานหมายถึงการหยุดเอาของคนอื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ด้วยวาจารหรือไม่ได้หยุดยื่นให้ด้วยมือ เราไปถือเอาของเขาโดยพฤติการเป็นการละเมิดสิทธิในเมื่อคนที่ถูกละเมิดสิทธิเขาก็ย่อมมีการโกรธแลเชื่อแทนในเมื่อมีการเชียอแทนก็ต้องมีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรปองร้ายต่อกันในที่สุดก็ต้องฆ่ากันก็เป็นปานาทิบัติจานุสมิชาจานไปละเมิดลูกเมือของท่านที่ท่านหงเห็น ก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของท่านเมื่อพระที่โผล่ละเมิดสิทธิ์ก็ว่ามีความเสียแ้่พยาบาทอาพาธก็เป็นเหตุตั้งข้าพันนี้ก็เป็นปาณาทิบาตโมสาวะตโคเหตุครบคลมให้ท่านทั้งหลายต้องได้รับความเสื่อมหายเมื่อท่านเสียแก่ท่านก่ข้าเอาก็เป็นปานาทิบาตตุราโนราตบุร น้ำดองของเมาเกิดความมึนเมากลมุมมสติไม่อยู่ก็เกิดทะเลาะวิวาทลงผลสัท้ายก็เกลียดแค้นแล้วก็ฆ่าเอาฆ่ากันตายก็เป็นตานาธิบาตเพราะฉะนั้นจึงจะนันได้เจ้าวว่าศืนทาข้อนี้เป็นปานป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดฆ่ากัน และถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้ผู้นั้นได้ดอว่าเป็นปานระงับเืนทั้งปวงถ้าหากว่าในโลกนี้มืคนประพฤติปืนท้ากันทั้งหมดคุบตลาดย่อมไม่ดีเพราะไม่มีใครทําบาปทํากรรมไม่มีใครทําความทั่วเสืีอหายไม่กล้าไปเจ้ากล้จจาคุกตลาดไว้ทําไม เพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นปัญญาชนเป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าเป็นผู้นำของกลุ่มคนผู้ยังมีสติปัญญาต่ำถ้าหากสมมติว่าท่านผู้คนผู้นำทั้งหลาย น้อมเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็ศูนย์าประการถึงแม้ไม่ครบพ้วนบริบูรณ์ทุกข้อก็ตามเคื่งข้อใดข้อหนึ่งอย่างมั่นคงมาเป็นเครื่องประพฤตปฏิบัติก็เข้าใจว่าจะเป็นการตัดทอนความวุ่นวายของสังคมและเป็นอุบายที่จะทำให้เกิดความสุขในชีวิตประจำวันไม่น้อยเลย ดังนั้นหลักแห่งการทำความดีทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรดียิ่งไปกว่าการมีศีลทาผู้ที่มีศีลท่าเป็นกระจำผู้ น, นั้นได้ช่วจรจนการตัดผลเพิ่มของกับนักจำเดิมแต่เรามีเจตนาแน่วแน่ว่าเราจะรักษาศีลท่าให้บริสุทธิ์บริูรณ์ผลกรรมที่จะพึง เพิ่มเลือกเป็นสิ่งที่สิตมันจะสะสมเอาไว้เพื่อลอรับผลตอบสนองในภาติาพกหน้าย่อมไม่มีเพินอันว่าขึ้นฝุกแ่นกำเริงสันตีสร้างจะเรามีสีนห้าบริสุทิบริบรูรณ์แ ล, แล้วอันนี้เราไปหลับจำลงชีวิตประจำวันเือกสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีความสุข ในชีวิตประจำวันก็คือหลักประโยชน์สามอุทานะหลักประโยชน์เรานใาปัจจุบันสามอย่างปัจจุบันหลักประโยชน์ปัจจุบันตุอย่างเตออุทานะสัมปทาถึ ง, งความดุจความมั่นอารักษาสัมปทาถึ ง, งความดุการรักษาผลงานที่เราทํา กัญยาณมิตรตาคบมิตรดีสามารถชีวิตตาเรี่ยงชีวิตพอพกา อ, อสมควรเกิผลประโยชน์และลายได้ที่เรามีอยู่ความสมควรแห่งชีวิตประจําวันถ้าเราจะพิจารณาดูการบริโภคปัจจัยสื่เพียงพอที่จะบํารุงชีวิตให้เป็นอยู่ ื่อต่อตู้กับการงานที่เรารับผิดชอบอยู่แม้ว่าเราจะมีรายได้น้อยแต่ถ้าเราพิจารณาถึงฐานะของเราจักใจใช้สอยให้พอดิบพอดีกับรายได้ก็จะเป็นออบายที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันได้อีกแขนงหนึ่งเหมือนกันปัญหาที่โลภหนักใจอยู่เวลานี้ ก็อยู่ตรงที่ว่าเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องสำคัญยิ่งคนลโรคข้ออมปริมาณขึ้นทุกวันทุกวันในประเทศไทยเรานี้ถ้าหากพิจารณาดูกันโดยทั่ ว, วไปแล้วคนคนหนึ่งจะต้องรับผิดชอบทีวิตของคนอื่นไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยคน หมายถึงพวกติดของจีนของไทยขึ้นมาเกิดจายให้เพ้่อนฝูงได้บริโภคเท้าสอยคนที่ติดผลประโยชน์ออกมาก็เจือจายหมู่นั้นมีจํานวนน้อยแต่ผู้บริโภควัตถุข้าวสองที่สิดออกมาแล้วมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ข้าวสองต้องขึ้นราคากันทุกวันทุกวัน จมเราหาหลายได้ตามไม่ทันหลับการปฏิบัติสำหรับคนไทยหรือเรียกว่าวัฒนธรรมไทยมดอคำฝันที่จำได้ไม่ลืมอยู่คำหนึ่งว่าไทยทำไทยไทยเวลานี้เราตรวจรอนะเราดูถูก้ีมือของคนไทยกันเองแม้ในวงการของ รอปชที่ท่านต้องหลายรับผิดชอบสินี้คนไทยเราก็ต้ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศมาเป็นจํานวนมากต่างคนก็ต่างมีวิชาความรู้พอที่จะทํางานให้จเจริญเต้านาได้แต่แล้วคนไทยก็ดูถูกคนไทยกันเองบางครั้งก็ไปเชี่ยวจ้างเอาคนต่างประเทศมาเป็นนายคนไทย ก็ไม่เชื่อฝีมือของคนไทยดังนี้แหละเป็นตัวอย่างเช่นวัตถุสื่อของผู้คนไทยเกิดขึ้นมาไทยเราก็ไม่ค่อยจะนิยมชมชอบในการที่จะใช้สอยแต่นิยมของต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอุบายที่ทำให้เราเกิดความเดือดร้อน โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งราสมัยปัจจุบันนี้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราไม่ยอมของต่างประเทศแต่แท้ที่จรงเสื้อตาง종หรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ทั้งเพศของผู้หญิงผู้ชายคือสำหรับเสรื่องจักรถือมือของคนไทยในประเทศไทยทั้งนั้นแต่ถ้าหากเราจะไปค้นหาออกจาก ร่างของคนไทยมาถ้ามีตาไหมายให้เรารู้ว่าเป็นของคนไทยเราก็ไม่ค่อยนิยมกันเนื่องจากว่าในประเทศเทยค่าแรงงานถูก้าต่างประเติเขามาจ้างทั้งฝีมือของไทยเย็บตัดเย็บสาเร็จรูปแล้วส่งไปเมืองนอกเมืองนอกเขาก็ตีกาเปนของเขาแล้วส่งเข้ามาขายเมืองไทยอยีกคีอหนึ่ง เราก็ไม่ยอมว่าของเหล่านั้นเป็นของนอกแต่แท้ที่จริงก็ทําในเมืองไทยอย่างวิทยุที่เราฟังดังเดือดเมื่อหน้าประผุดปจากเมืองไทยท่างที่เขาสามารถผลิตวิทยุขึ้นมาได้เนื่องจากคนไทยไม่นิยมของกฎไทยเขาไปส่งไปขายให้บริษัทต่างประเทศ บริษต่างประเทศตีตาเป็นของเขาแล้วส่งเข้ามาขายในเมืองไทยอีกทีหนึ่งในพูกอย่างนี้ประเดียวท่านั้งหลายก็ะจะคชื่อว่าทําไมตพระอยู่ในวัดซึ่งได้ไรู้ดีนักที่โลโลกันอย่างนี่ก็เคยเห็นคนไปเที่ยวแถวมาเรืนเตือแล้วไปซื้อเอาของนอกมาพอเห็นโูกล่างมันสวยๆก็ขอดู เขาดูไปดูมาเป็นเครื่องหมายไทยแลนด์อยู่เบื้องหลังแต่เขาบอกว่าเขาซื้อของนอกมานอกจริงๆมันซื้อจากนอกประเทศแต่ของนั่นทำในเมืองไทยจึงได้รู้ข้อเท็จจรงมาด้วยกระดานอันนี้อันนี้ถึงม้ว่าจะเป็นื่องนอหน้ากลับของคํามาที่จะพึงกล่าวก็เ ข, ข้าใจว่าพอเป็นสิ่งตัวนี้สำหรับบุคคลผู้เหอของนอกทั้งหลาย ขอฝากบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีบาที่จะเป็นผู้นําพวงชนเพิ่งคุยรรดาในขังบ่อนระหว่างในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นอุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราต้องรับความลําบากเกิดร้อ น, อนเพราะเราไปนิยอมกับของเมืองนอกในการกล่าวธรร ม, มะต่อเป็นสติเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้ ก็เห็นว่าเราคือของพ่อแต่ค้นสอบมาหลายๆวิธีมีวิธีหนึ่งวิธีนั้นเขาเรียกว่าวิชาสะกดจิตแต่ในเมื่อมาพิจารณาเชี่ยวกับหลักการปฏิบัติของเราแล้ว มันก็เป็นอุบายที่คือแขนงหนึ่งซึ่งแยกไปจากของเราเหมือนกัน <c oughs> คือวิวธีการอันนี้หลัากการปฏิบัติของเขาเขาจะต้องมีสุขเพิ่มเพิ่มจะยกเอาจุดใจจุดหนึ่เพิ่มระพุทธโลก หรือไม่มีพระพุสธาลุแม่ตะแหวนอยู่ในมือเมื่อ <c oughs> เวลาจะทำยกตึงงนั้นขึ้นให้ได้ก็ดับตาแล้วตาคพื่อมองดูอย่างนี้ให้อยู่ได้ได้ดับตาท่าของนั้นเป็นของที่มีเงาสะท้อนได้อยู่งดีขอบองดูพัด เราก็บอกกับตัวเองว่าดัดนีท่านจะตั้งใจสมาธิให้ดวงจิต ข, ข, ของท่านเป็นสมาธิสติปาวังท่านเอาของพิเศษของท่านซึ่งมีแสงแหละมีเงาให้ตัวของทั้นดูแล้วก็ดูสิ่งนั้นอยู่ประมาณสองนาทีถ้าไม่จะพิจาได้ยินดี พอครบสองนาทีแล้วก็พูดกับตัวเองต่อไปบอกกับตัวเองว่าหลับก็บนอนหลับตานอนหลับให้สบายอย่าไปกังวลสึ่งใดใดทั้งสึ้แล้วก็มึนหรือจะพักเหมือนต่อไปก็พูดกับตัวเองว่าแบบ น, นี้ดวงจิตขงท่านนอนหลับเป็นปมาสุสติผวังแล้ว ท่านจะนำตัวของท่านกับดวงจิตของท่านเอาตูดต่อกับดวงจิตที่สองของท่านซึ่งมีสมาธิมือสติปัญญาอย่างถูกเมื่อกับตัวของท่านเหมือนกันแบบนี้เราได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองกับช่วยผู้ช่วยแห่งดวงจิตของของท่านแล้วตอนนี้เราท่านจะมีดวงจิตอันสงบ มือ จ, จิตใจอันปลอดโปร่ไม่สร้างบนในสิ่งใดๆฉันจะทํำใจของฉันให้สบายฉันจะทํำใจฉันให้สบายฉ้นจะสบายฉ้นจะสบายฉ้นจะสบา ย, บายเล็กๆเองถ้าพูดกับตัวเอง อ, อกไปกับตัวเองฟังพอได้ยินอนนี้หลักการอนนี้เขต้องอาศัยคําพูด พคตรพอตัวเองได้ดีมาไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็บอกว่าฉันจะสบายฉันจะสบายฉันจะทำใจให้สบายฉันจะทำใจให้สบายเลึกเข้าไปอย่างอ้พูดตัวเล็เบาๆท่หลังจากนั้นเราจะนึกถึงสิึงเลยก็ได้ถ้าเราจะนึกคมว่าพุทโธพุทโธ ก่อนผู้่นึกก็บอกกับตัวเองว่าบัดนี้ฉันจะนึกบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธฉันจะขอให้พุทโธอุตมสื่นดำจุดของเฉันให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบสว่างมีจิตจะมีความสุขฉันจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ เราก็ น, นึกพุทโธพุทโธไปเขามสมควรเราบารู้สึกความเมื่อยในการนึกหลอนั่งเปิแเอวเราเอ า, านอนลงไปคนนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนปลาจะนอนหรับปลายจะไึกพุทโธต้อลมเข้าลมออกก็ได้ เมื่อานอะนหลับลงไปแล้วสุดขึ้นเมื่อมาเมาื่อไหรก็ให้นึกพุทโธพุทโธพุโธเขาไว้และการ น, นึกพุโตนี้นอะกจากจะทำให้สิตของเราสบายยังจะเป็นคาถาอาคมสำหรับป้องกันภัยอันตรายไ ด, ดย้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขวคุณคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้ามาที่ฝ่ายนี้ แต่ว่าเจ้าตัที่หนึ่งและพระพุทธนาคุณนบดจะต้องเป้าทุกผลทุกแห่งบางที่อาจจะโดนนอนกลางดิ น, นจริงกลางตายจะรับความลำบากถ้าหากเลิกพุโธพุทโ ธ, พ, ทโธพุทโธเป็นผู้ของเจ้าเอาไว้เล่ยจะทำให้เจ้าข้องเราสบายจะเป็นอาคมต้องกันตัวด้วย ถ้าไม่พุทโธอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวพูดศีลศีลศักดิ์ไปที่ไหนก็ได้แต่อีกอย่างหนึ่งถ้าเราพื่มั่นตรงในคุณพธรรมและสงจริงๆแล้วก็ทำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นตาถาอาคมที่จะป้องกันอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วพุทโธจะกลายเป็นตาถาป้องกันตัวได้เป็นอย่างดี และจะประการส่งเสมคุณพระคุณเจ้าที่เราเคถืออยู่นั้นให้มีปฏิกิริยาตึงยิ่งขึ้นอุบายที่จะทำแล้เรามีความสุขสบายใจก็เป็นแค่นี้ในตอนแรกๆคือเราอาจจะมองดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลแต่เราต้องพยายามทํำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดกับตัวเองดังที่กล่าวมาลวแล้วนั้นเป็นการปลุกเสกตัวเอง แลราจะตามเตือนตัวเองให้มีความรู้สึกสำนึกในสิ่งชอบขั่วดีลองลองเอาไปปฏิบัติตัว เราต้องรู้ในทําความเข้าใจในหลักการปฏิบัติกรรมฐานกันก่อนหลักทวิชาการกรรมานแยกออกเป็นสอหนึ่งกรมถากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจสองปัจจนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายให้เกิปัญญารู้จึงเห็นจึงในสภาวะธรรม กรรมฐานมฐานเป็นขั้นเสวงหาความสงบนิ่งของจงองงิตอปัฏนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติขั้นที่เราจะต้องใช้ความสุขสติปัญญาค้นค้าหาอุปผลแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันจะแยกจากกันไม่ได้ ถ้าหาสมถะพื่อความสงบจิตไม่หดีวิปัสสนาสมถนจะเกิดขึ้นได้ซึ่ท่านว่าปฏิบัติสมถะสมถานกับัปัสนาสมถะอ น, นั้นท่านแยกโดยยุติธรรมแต่พระพูทถสุขผลที่จะทรงเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วจะมีแต่ความสงบของจิตไปไม่ได้ ถ้าความสงบของจุกเท่าสมาพุไม่หมียุติปัสฉนารรมาฐานจะเกิดขึ้นไม่ได้ยุปัจฉนาสมาฐานคือคุ้าความคิดเช่นอย่างจำลองจิตรู้ตามอาการของใจเช่นนั่งหนอนอนหนอนยืนหนอเดินหนอนวิ่งหนอกินหนอหนอทำหนออะไรพวกน เป็นการทำปฏิเพื่อสนุนตามพระอาจารยของใจอนุเป็นภาพปฏิบัติยังไม่เข้าที่ปรัสนากรรมฐานหรือเราไปใช้ความพุดทีจปรัชาว่าสภาวธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าไม่เที่วงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นปุ่มความรู้ขั้นที่ปรัสนากรรมฐาน เราใช้ตัวดวงความยุบยุบเอาว่ามาทวงเนทุกข์เอนอนัตตาอันนี้เป็นตัวเตรียมภาพปฏิบัติไม่เท้ารูปปัจจนากรรมฐานเมื่อตัวรูปปัจจนากรรมฐานเกิดขึ้นอย่างแท้จริงต้องอาศัยสมถะกรรมฐานเป็นมูลถ้าอาศสมถะกรรมฐานไม่เกิดขึ้นกับปูกปฏิบัติเมื่อไรรูปปัจจนากรรมฐานดูปัญญารูนแจ้าสลจริงจะไม่เกิดจริง ไปตอกนีดนึงเข้าไปนะ้าจะตรวจเพื่อเคลอนย้ายสมมติว่าหลวงพ่อยกบุหรี่มวนหนึ่งขึ้นพบคนมามึงโดนที่มวนบุหรี่อันหนึ่ง่วรจะรู้ว่าไม่คือบุหรี่ ไอ้ความรู้ในขัน้นนี้อันนี้คือสมถะกรรมฐานแต่ถ้าจุดใจมาอุทลิกิดไปว่าลักษณะบรุริเป็นอย่างนั้นอย่นี้้นมาพัฒ น, นาถึงรูปร่างลักษณะไปอันนั้นเป็นความคิดขัน้นวิทัพัฒนาสมรมฐานสมถะมองดูอะไรเพียงแค่สุดแล้วก็รู้ว่าสุั้น รู้ปัชนามองดูอะไรแนละ้วเครืถึงความส่ว น, น ต, ต่อของสิ่งนั้นและสิ่งนั้นเกิดมาจากไหนอะไรเป็นมูลเหตุอันนี้เป็นปู่ดูปพัชนากรรมฐานเนะ ถ้าพูดถึงว่าธาตุปฏิบัติเราใช้ ไ, ได้ทั้งภาตุิปัสนาทั้งสมะถะ <c oughs> ถ้าจะฝึกสมะถะ้อบริกรรมภาวนาอยู่กับคำพูดคำเดียวเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุท โ, โ, โธเป็นต้นถ้าจะฝึกสมาธิแบบแบบยุติปัฏนาเนี่ยไม่อยู่สองอย่างอย่างหนึ่งพยายามหาเรื่องอะไรมาคิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ ค เ, เราอาจรู้กว่าร่างกายของเรานี่มันก็ไม่สวย ค, ค, คนโคตรจะนั้นนะบตาเพราะอะไรเพราะมันจระโดดโตขึ้นไปนั้นมันก็แกิดปวดตา ย, ยในคำนองนี้ันนี้เราว่าปฏิบัติแบบเท้าสามชิ้นเป็นตัวบายทำจิตให้สงบลงเป็นสามาธะเมืออมม่อใจสงบลงเป็นสามาธิเมือมม่อเหล่านาั้นเมื่อนั้นสมาธฐก็เกขึ้นเราอุทิศหนึ่งนั้นไม่ต้องอาเราตรงนั้น เพ่มเตือกําหนดรู้ลงที่จุดของตนเองคอาจ้องดูความคิดว่าความคิดอะไรมันโผล่ขึ้นเรากําหนดรู้รู้รู้เพื่องจะรู้โดยเฉยจะไปช่วยมันคิดที่าพาดคิดผิแต่ถ้าจุดของเราคิดโดยเองก็ตามรู้ไปเลยแต่อย่าสร้างความคิดขึ้นมาโดยเฉยต่อมาให้คอยจ้องดูความคิดที่มันจะโผล่ขึ้นมาเอ อันนี้ก็คืออุบายการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตสงบอีกอแบบหนึ่งการปฏิบัติค้อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเกิดปัญญาช่วงพาแต่ถ้าการปฏิบัติด้วยการตั้งต้นด้วยการค้นคิดพิจารณาเลยทีเดียว เมื่อจิดสงบแล้วเกิดปัญญาเร็วทือเร่การสงบเกิดต้องดูความคิดของเราเองที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเมื่อจิตสงบลงตัแล้วจิดจะปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติทีอเรื่อหรับเอาพวกนักน่กนั้นจิตตั้งหลายเมื่อ ควรจะเอาแบบที 3, ่สองกับที่สามโดยเฉพาะอยังยื่งการกำหนดรู้ความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นเหมาะสมที่สุดเพราะเราทำงานจิตของเรามันก็ไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานแต่ลัตาลงไปพัมันจะต้องลกผลงงานที่เราทำอยู่อะไรเสร็จแล้วแล้ออะไรยังค้างอยู่และจะทำอะไรต่อไป มันย่อมเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อมันเกิดความคิดขึ้นมาเราก็ตามรู้ความคิดอันนั้นไปเมื่อตามรู้ความคิดของเรามันทันเมื่อไรว่าจิตมันจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิถ้ามันไม่หยุดก็อย่าไปบังคับมันเพื่อจะกําหนดรู้อาการความคิดข้ามันเรื่อยไปถ้าหาันไม่เจอเป็นสมาพุเลยมันก็ทําให้เรารู้ทันความคิดของตัวเอง เมื่อเรารู้ทานความคิดของตัวเองความคิดที่เราถูอว่ามันวุ่นวายอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันจะกล่ายเป็เครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่อ ง, อง chỉ, ระ ล, ลึกของสติและภายหลังความรู้สึกในความคิดที่มันเกิขึ้นนั้นจะรู้สึกว่ามันคิดขึ้นมาแล้วจิตมันก็ไม่ผูกพันคิดอะไรขึ้นมามันก็เปล่าวางไปเรื่อยไม่ยึดไม่เสือไว้เป็นอารมณ์ ไม่ผลปรโยชที่จะปุ่เกิดจากตามตนหมตามรู้ตามทิศของปุ๋ยและเราต้องเติมเายามคุยกันก็ปัษาตัวเองอยู่ตลอดเลละเมื่อตกเหตุตามอะไรขึ้นมาให้เราคุกรมาดูตัวเองซะก่อนว่าเราได้ทาอะไรผิดพลาดไปอย่าบุญบาปใจดวงพ่อคนอื่นว่าเขากาะอกเการ่วมให้เรา ตอนเข้ามาข้างเราคือใ น, นตัวของคนอื่นก่อนพวเราเป็นผู้ทำอะไรเป็นมูลหู้ให้เขาตำหนิหรือให้เขาว่ากล่าวอย่านั้นอ่นี้ขึ้นมาก็หาถุกที่ตัวเราก่อนถ้าเราไม่หาอูดที่ตัวเรามีแต่เพ่มลงเอาตัวกลางมาหาแต่ว่าคนอุดก่อเรื่องต่อเรื่องอยู่ด้วยมันก็วุ่นวายด้วยแต่เราจะนั้นการระงับเหตุการตัดปรุง ความตึงตู่ในหมู่คณะในสังคมนี่สาคัญอยู่ที่การปับปรุงตัวเองก็เขโตดเองเราจะไปคิดก็ไขโสดอุ่นไม่ได้อย่างในสมัยปัตตุบัลนู้นกองพ่อต้องขอโทษหรือยะงอาว่าการเมืองมาพูดอย่างนสมัยปัตตุบาลนี้เราไปคิแก็ปัญหาของบ้านือน ใครที่เราลำเกียบที่ฝุ่นก็คือความมนุษย์เราไปเงื่อปราบตัวความมนุษย์ถ่ายเดียวแต่ตัวเราเองเราไม่ปราบเลยเราต้องปราบตัวเองก่อนมันต้งจะปราบต้องมนุษย์อยูปราบตัวเองคือปราบอย่างไรปราบตัวความรู้สึกและตามประทําของตัวเองให้ดําเนินตามแบบขับัตรของการทํางานอย่างตรงตัว ปลูกกัน ไ, ได้าเพราะว่าลดคอร์ั่ชันลงให้มันน้อยๆหน่อยการคอร์ัปชันนเป็นพุเป็ น, ปนไพร่ต่อบ้านส่อเมืองอย่างไร่สาขี่สุดเวลานู้เราทำงานกันเป็นทีอย่างสมมติว่าอาตมาท่านี้ใดาุฒนหนึ่งเป็นหัวหน้าในหน่วยการที่พวกแันรับผิดชอบสึ เมื่อหลบล่องผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทําความผิดเพื่ออยู่ในเราเมื่อที่ในภารกการเรามาท่านจความถูกต้องเขาว่าเขาทําผิดระเบียบการทํางานหรือผิดกฎหมายของการทํางานอะไรคํานองนี้ท่านจะเอาผิดเขาแล้วรายงานถึงตัวหาเจ้านายบนบดพอไปถึงเจ้านายบนบดบางคนก็โดนเอ่ โยกท่านหลานโทลเขา้าก็ร่วงเจ้หาเจ้าหานายพวกคนอือเ้องําคสั่งตัว้าศีษะกันมาตูแทนที่เราคนนั้นจะถูกหลงเขาหน้าไหลังเขาก็มายุ่งเด๋อเยาะเยาะผู้บังคับัญชาที่อยู่ใกล้ชิดเานี่อันน้นรผลได้พวกเราประสบกันอยู่ทุกวันเอย่างเราก็สมุกบัิเราทความผิดเราจะลงโทษตาม ละเบิด <st it> แต่หมอไปวิ่งหาเจ้ า, าหนานายบ่วงบดเจ้านายบ่วงบดสั่งตำทับมากลายเปนว่าผู้จนผู้ไม่มีความสิไอ้นรื่ก็สิ่งที่โดนไทยไล่ร ง, อองรต่อวารปกครองหมู่คณะเราสถาบันนั้นๆอันนี้ในใจคนก็สาื่วนะอสุเป็นความจริงอยู่ในวงการของรับฐบาลเราปัจจุบันนี้ เราจ ะ, จะาต้องเจเขาปัญหาตรงนี้ไม่ได้เขาก็บ้านเมืองเราจะยุ่งยากมากเป็นอย่างข้าราชารตำรวจ เ, เรื่องบนสังมาว่าให้กวดขันจับมาตรวาเมื่อมี่ปูนเ่คนขนมาตวดมาทางเสาถนนเสาโบดอุดมอ่อ พวกเขาถูกอารมเนียผ่านมาเผอนางรองอเผอนี่นาเอ้ญตำรวจเขาจับจะตกคมไปถึงสถ า, าลุงพักตำรวจพอไปถึงค ร, รบงับตำรวจผู้บังคับบัญชาหนือเขาพู่จับคนทำผิดก็พกดว่าไม่จับทมาทำไมมึรมงรู้ไหว่าม า, านต้องับ ลงผลตกตายเป็นไม้กอบผู้รอรอผู้บังนคนับและผลรับผลคือว่าลูกน้องของท่านผู้บังคับต้องถู ก, กลงโทษเพราะไปจับไม้ของเจ้าไหนแต่เดี๋ยวเราจะว่าพระองค์นี้ทำไมตอกแต่งตหาลูกมาทุกจับเป็นต้นตรงนี้อะไรที่ เขาครับพ อ, อกครับใจเขาจะไปพูดในชาวบ้านจับแต่เดี๋ยชาบ้านก็จะขายเขาแบบที่นี้มาพูดให้พระฟังพระฟังแล้วตงก็บชื่อเอาไว้นะท่านจะไม่นําไปล่าวฝันถึงบุคคลผู้ใดคือมาเล่าให้ท่านฟังอย่างที่พระมารเล่าเล่าในพระบารมีว่าไม่ถูกละบบุผู้อของเราแต่เรื่องวันนี้บนึ่งอยู่แล้ว เริ่มดังคำมอว่ารถไถ่สถานือรถไถ่ไปที่มีพ่อค้าส่งถึงค้ามากๆเขาจะไปอยู่สถานือนั้นคนนายสถานือต้องยื่นต่เขาต้องถามนั้นส่งเจ้าดาวได้บุตรละเท่าไหร่ถ้ารเขายื่นจอ ง, งประมูลสูงก็ได้ไปนะอยู่ที่นั้นหัวหน้าสะพานือตำรวจต้องบอกกัน ถ้าอำเภอไหนที ma, thì, thì, ่มีรายได้ดีๆใ่าอยากไปอยู่ต้องยื่นเ่ขาวอต่เราประมวลให้สูงกว่าเขาไดไปอยู่ที่ไหนแม่ก็ต้องหาเงินคนเจ้านายเรื่อยเอ้าวะรูกตักับอแล้วบาดนัก็นต้องเป็กระเทือน มันคือบางส่วนบางอย่างที่ทพระไม่น่าจะรู้มันก็รู้กพราะส้าคับ อ, อกคับใจมันไม่มีทางอองก็ต้องมาออกกับตาเนว่าต้ึงคิดคดไตร่อะไรทั้งสิ้นเพราเขาดูเนอะพระพรู้คนนี้ชอบรู้ดีนะถ้าหมอดูจึงๆในกองทัพรู้จนกระทั่งวิญาดีที่เขาก่าปฏิวัติในว่าเขาใอ้พระองค์เดาเข้าโลกปฏิวัติแล้วเขาก็าเอาตำรวจ อาหารดูคุมพอไว้ เ, เด็กคนก็ไปตาพระองค์นั้นไม่ได้พระองค์นั้นจะออกจากประตูก็ไม่ตายเพราะเขาถูคุมอยู่นั่นนคนในไม่ได้ออกคนน อ, อกตายเขาเขาโกรธแฉมจานเขากระแตกโน่นแล้วก็เมื่อตรวจสอขึ้นมาจริงๆแม่แต่เขาถึางจะปลอยถ้านั้นพระก็เลยเป็นคนรู้มากกลายเป็นคนรู้มากก็ยังไม่ได้ติดตัว